ภาวนานะไม่ยากๆหรอกแต่ต้องทนเอาอันแรกเลยต้องทนฟังให้รู้เรื่องพอรู้หลักของการปฏิบัติแนละ้วก็ไปดูไปฝึกตัวเองคนในโลกมันหลงตลอดเวลาจิตออกนอกตลอดมันมีสิ่งเราอยากสนุกสนานเพลิดเพลิ น, น, นออกข้างนอกคนน้อยคนที่อยากพ้นจากโลก โลกมันดึงดูดน้อยคล้ายๆยิงจรวดเหมือนกันนะช่วงที่อยู่กับพื้นเนี่ยกว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยใช้พลังงานเยอะพอพ้นไปไกลๆโลกแล้วใช้พลังงานน้อยลงไปง่ายไปเร็วภาวนาทีแรกต่อแตะลมลุกลุกลักลนไปไม่ค่อยจะพ้นจากโลกแต่พอมันเข้าทางแล้วนะั่งไปริ้วๆแล้ววนะันนี้มันไม่หยุดละ ยิ่งไปก็ยิ่งไกลโลกแต่เดิมต้อว่าโลกนี้ดีนำความสุขมาให้ภาวนานห่างโลกออกมานะโอ้ยโลกนี้มีแต่ทุกข์นะใจก็สลัดออกจากโลกไปเราจะไม่เสียดายว่าโอ้ยเสียดายนะต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับโลกเราไม่มีความเสียดายเลยเราดีใจว่าหลุดออกมาได้ หลุดออกจากก้อนทุกข์พน้นออกมาได้บุญนักหนาแต่คนยังติดอยู่กับโลกก็ไม่ยอมพ้นรู้สึกโลกนี้อร็สอร่อยในตำลานะในคำพนะีท่านเทียบเหมือนหนอนเกิดอยู่ในหลุมซ่วมนี่เหมาะกับการฟังหลังนออาหารดีนะไม่เทศก่อนอาหาร <c oughs> การประหยัดอาหาร นอนเกิดอยู่ในหลุมซ่วมกินอาหารอัเอร็สอร่อยทุกวันไม่อยากพ้นไปเมื่อใคพ้นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากไปทําอย่างนั้นอีกเราติดโลกเพราะเราเห็นว่าโลกมันดีสิ่งที่เรียกว่าโลกมันเริ่มจากตัวเรานี่พระเจ้าท่านบัญญัติคำว่าโลกนะคือร่างกาย ยาวประมาณหนึ่งว่าว่าใครวามันนะแต่คนหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งซอกมีสัญญามีความจําได้หมายรู้มีใจคือความรับรู้ครอบครองอยู่นสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือร่างกายที่มีใจครองอยู่นี่เองกายกับใจนั่นแหละเรียกว่าโลก กาสิ่งที่เรียกว่าโลกบางทีก็บอกรูปนามนั่นแหละโลกนี่เรายึดโลกเนะี่ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกก่อนยึดตรงนี้ก่อนยึดตรงนี้ได้ที่แล้วก็แผ่การยึดออกไปอันนี้พ่อแม่เรานี่ภรรยาสามีนี่ลูกนะก็ แ, แผ่ออกไปอีกนี่ทรัพย์สมบัติของเรากว้างออกไปนี่เพื่อนเรานี่ญาติเรากว้างออกไป กว้างไปมากๆนี่ศัตรูเราเข้ามาอยู่ในโลกอันเดียวกันละเราเปิดรับศัตรูมาอยู่ในโลกของเรานะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางการจะถอนตัวออกจากโลกลไม่ต้องไปเรียนทั้งนอกตีมันที่ศูนย์กลางเลยที่รูปนามที่กายที่ใจที่ตัวเรานี่เองถ้าปล่อยตรงนี้ได้นะ ที่อื่นหลุดหมดเลยเพราะที่ไปยึดที่อื่นน่ะยึดมาจากตรงนี้ยึดมาจากตัวเองนี่เองมันทุกคนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกหมดเมื่อก่อนคนจีนะก็ื่อว่าประเทศจีนเป็นศูนย์กลางของโลกพวกโรมันก็โรมันเป็นศูนย์กลางของโลกมายุคนี้อเมริกาอาจจะเป็นศูนย์กลางของโลกหรือเมืองจีนจะเป็นศูนย์กลางของโลกอีก มันจะหนีตัวเองไม่พ้นเอาตัวเองนี่แหละเป็นศูนย์กลางของโลกถ้าเราปล่อยตรงจุดศูนย์กลางนี้ได้นะตัวอื่นก็ปล่อยหมดอนะเรายึดครอบครัวเราเพราะมันมีตัวเรายึดในทรัพย์สมบัติของเราเพราะมันมีตัวเรายึดพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรมันมีตัวเรายึดที่ทำงานยึดเก้าอี้ยึดอนะไรมันของเรา มันมีตัวเราขึ้นมาแล่ว ม, มีของเราเพิ่มขึ้นไปถ้าตัวเราไม่มีของเราก็หายไปนี่ตัวเรามันไม่มีในความเป็นจริงมันไม่มีหรอกแต่เราเห็นผิดว่ามีเพราะการหมายรู้ผิดๆนะที่จริงแล้วมันคือรูปธรรมนามธรรมขันห้าอนะไรเนี้ยนี่เราไปเอามารวมกันเข้า รวบเอาขันห้ามารวมเข้ามาเรียกว่ามีคณะสัญญาขอละขังนอหนูคณะคณะนี่แปลว่ากลุ่มก้อนมีคณะสัญญาสัญญาแปลว่าการหมายรู้เราหมายรู้แบบเป็นกลุ่มก้อนก็เลยมีตัวเราขึ้นมาไปหมายรู้รูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณขันห้าที่รูปก็คือส่วนของรู ป, ปธรรม เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เกิดที่กายบ้างที่ใจบ้างสัญญาคือความจำได้ความหมายรู้นะจํารูปได้จาเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสได้จาเรื่องราวได้การหมายรูนะ้อันนี้เทียบเคียงข้อมูลเดิมนะกับปรากฏการใหม่ที่ยังไม่รู้จักนะหมายรู้เอา เราบ้านเรามีแมวไม่รู้จักเสือไปเห็นเสือก็หมายรู้ว่านี่เป็นแมวขนาดใหญ่แมวขนาดเล็กจับหนูได้แมวขนาดใหญ่ก็จับคนได้สังขารความปรุงของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วบ้างวิญญาณคือความรับรู้หรือตัวจิตนั่นเองที่เกิดที่ตาบ้างที่หูบ้างจมูก ที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตเกิดอยู่ที่หกช่องนี้แหละเมื่อวานบอกแล้วนะมีจิตต้องมีอารมณ์จิตออกไปรับอารมณ์ทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปก็เป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้โดยอาศัยตาเสียงเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้โดยอาศัยหูธรรมอารมณ์เป็นเรื่องราวที่จิตไปรู้โดยอาศัยใจนะใจไปคิดไปนึก ออกไปรับอารมณ์ค่อยฝึกนะค่อยภาวนาเราไปหลงเอารวบเอาขันห้าเนี้ยมาเป็นตัวเราไปมองขันห้าในภาพรวมห้าอันนี้มารวมกันเข้าเราก็ไปหมายรู้เอาว่าเป็นตัวเร า, าเรียกมีคณะสัญญาวิธีจะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราก็คือทำลายคณะนี้ให้แตก วิธีทำลายคณะนี้ให้แตกนะก็อย่างที่หลวงพ่อสอนนะหัดแยกธาตุแยกขันธ์แทนที่จะมองว่าเราคือเรามีหนึ่งเดียวก็เห็นไบร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะใจเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งนี่แยกออกไปเป็นสองแล้วนะก็เห็นในความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายบ้างในใจบ้างไม่ใช่กายไม่ใช่ใจ นี่แยกได้สามขันลนะก็เห็นนะความปรุงดีปรุงชั่วเกิดที่ใจไม่เกิดที่กายหรอกอันนี้เกิดที่ใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่ใจไม่ใช่ความสุขความทุกข์อย่างความโกรธเงี้ยไม่ใช่ความสุขความทุกข์เป็นความปรุงชั่วนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งใจเป็นคนรู้อีกสิ่งหนึ่งส่วนสัญญาอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะแยก4ขันนี้ให้ได้ก่อนสัญญาของเราตอนนี้เรียกสัญญาวิปลาส ยังเพียนอยู่ยังหมายรู้ผิดผิดอยู่นี่พอเราแยก4ขันได้แล้วเห็นขันแต่ละขั น, นแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นการเริ่มพัฒนาสัญญาสัญญาเป็นการไปหมายรู้หมายรู้รูปด้วยความไม่เที่ยงหมายรู้รูปด้วยความเป็นทุกข์หมายรู้รูปด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเนี่ยอาศัยสัญญาหมายรู้หมายรู้ตัวนี้คือเป็นมุมมองของจิต จิตมันมองรูปมาแทนที่จะเห็นแค่รูปมันมองได้มันเห็นหมายรู้ลงไปนะเห็นมีมุมมองที่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของรูปเวลามันไปรู้นามธรรมา ท, ทั้งหลายก็ไปหมายรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนื้อพาจิตมาดูของจริงนะจนกระทั่งทีแรกต้องหัดหมายรู้ก่อนหัดดู ไตรลักษ์นี่บางคนขันแยกแล้วนะไม่เห็นขันแสดงไตรลักษ์เพราะจิตยังไม่รู้จักไปมองในมุมของความเป็นไตรลักษ์จิตเห็นแต่ท้องพองยุบมองไม่เห็นไตรลักษ์จิตเห็นแต่ลมหายใจไม่เห็นไตรลักษ์บางคนที่เคยสะสมบารมีมาทางเจริญปัญญาพอขันแยกแ้า น, นเห็นขันแสดงไตรลักษ์เลยถ้าไม่เห็นก็ช่วยมันคิดเอา อาศัยการคิดเอานะเบื้องต้นคิดก่อนก็ได้นะแต่เบื้องปลายห้ามคิดให้รู้เอาเราก็มาคิดนะไอ้ร่างกายนี้มันนั่งอยู่นี่ใจเราเป็นคนรู้ค่อยๆสอนมันไปเงี้ยนี่ความสุขความทุกข์เมื่อกี้ไม่มีนะตะกี้นั่งอยู่ก็สบายดีตอนนี้ความทุกข์มันแทรกเข้ามาแล้วความทุกข์กับร่างกายเป็นโคล่นกันความทุกข์ก็ไม่ใช่ใจด้วยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้นี่หัดคิดนะ ใช้การคิดช่วยสอนสอนสอนจิตให้หัดมองความเป็นไตรลักษณ์หลวงพ่อพูดเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยท่านจะพุโทโธแล้วพิจารณา ก, กายนี่บางองค์ก็ไปคิดว่าพีรนาค ก, กายเป็นวิปัสนาท่านว่ายังไม่เป็นหรอกวิปัสนาต้อเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ถไม่คิดถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยท่านว่าอย่างนี้ แต่ท่านว่าการคิดพิจารณาร่างกายเป็นการนําล่องให้จิตมันดูไตรลักษณ์เพราะฉะการคิดพิจารณานะทำสมาธิแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาเฉยๆเห็นร่างกายเฉยๆเห็นใจเฉยๆคิดพิจารณาเพื่อให้จิตมันหัดมองว่ารูปนำขันห้ากายใจนี้มันเป็นไตรลักษณ์พอหัดพามันหัดมองสักพักหนึ่งมันก็มองเป็นมันก็เห็นคราวนี้ไม่ต้องคิดนะให้ดูเอา บางคนมีบารมีมีของเก่านะพอจิตตั้งมั่นที่มาขันแยกเลยเห็นเลยร่างกายส่วนกายสุขทุกข์ส่วนสุขทุกข์ดีชั่วส่วนดีชั่วตัวจิตส่วนจิตแยกออกไปเลยเราเห็นแต่ละตัวแต่ละตัวเกิดดับนะเห็นแต่ละตัวบังคับไม่ได้เห็นไตร ล, ลักษณ์อันนี้ของเขาเคยมีของเก่านะเคยเจริญปัญญา ม, มาจะแยกออกไปแล้วก็เห็นเลยไม่ยากเลย ถ้าไม่เห็น่าต้องคิดนำสอนให้จิตมันหัดดูไตรลักเหมือนผู้ใหญ่นะสอนเด็กเขียนหนังสือที่ถ้จับมือเขียนกันจับมือเขียนต่อไปเด็กมันเขียนเป็นอันนี้ก็คล้ายๆจับให้จิตมันมามองไตรลักพามันคิดเรื่องไตรลักตรงที่คิดเรื่องไตรลักยังไม่เป็นวิปัสสนานะคิดเรื่องไตรลักไม่ใช่วิปัสสนาเรียกว่ายังคิดอยู่ มีปัสสนาเนะี่ยรู้เอาเห็นเอาไม่ใช่งานยากอะไรนะแต่ว่ามันดูวุ่นวายมากมายนะเพราะว่าหลวงพ่อแจกแจงให้ฟังเท่านเองพวกเรามันเยอะอยสอนคร่าวๆบางคนภยัยพาวนาแล้วเจอปัญหานี้ปัญหานี้เลยสอนให้มันคลุมให้ครบทุกปัญหาเล ย, ยนั้นขั้นต้นนะถือศีลห้าไว้ ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ได้บังคับแล้วก็เห็นขันห้ามันทํางานเห็นกายเห็นใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันทํางานไปดูมันทำงานไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าทำ ม, มิปัสสนานะเห็นไตรลักษ์ร่างกายไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวจะหายใจเข้าร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ไอตัวที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดูอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับคนที่เล่นลมมาก่อนนะดูก็เห็นไตร ล, ลักษณ์ของร่างกายที่หายใจถ้าคนดูรูปมาในมุมอื่นก็เห็นอย่างอื่นแต่ก็ลงไตร ล, ลักษณ์เหมือนกันลักษณะเดียวกันอย่างหลวงพ่อเล่นลมตั้งแต่เด็กธรรมน์นาปรนสติ ดูอนิจจังก็เห็น น, นร่างกายนี้ที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงก็เห็นอย่างนี้หายใจเข้าก็เป็นทุกข์หายใจออกก็เป็นทุกข์มันเกี่ยวกับเรื่องหายใจอยู่เลยร่างกายที่หายใจร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหายใจเข้าหายใจออกเวลามองใจลักษณ์นั้นมองมุมเดียวนะ เวลาคิดพิจารณาจะคิดสามัญก็ได้แต่ว่าเวลาจิตมองจะมองทีละมุมไม่มีจิตของใครมองใรลรักทั้งสามด้านจะมองเป็นด้านๆไปอย่างเวลาเราหัดภาวนานะเราเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเช่นเห็นความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปกุศลอะกุศลมาแล้วก็ไปนี่เราเห็นเกิดดับนยะู่ในเวลาที่จะบรรลุธรรมอาจจะไปเห็นอนาัตตาก็ได้นะ เวลาดูดูอ น, นิจจังเห็นเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยตอนจะไปรู้แจ้งพลิกไปรู้อนัตตก็ได้นะเอาแน่ไม่ได้หรอกแต่ละคนจิตมันไม่เหมือนกันบางคนหลุดพ้นเพราะเห็นอนิจจังบางคนหลุดพ้นเพราะเห็นทุกข์บางคนหลุดพ้นเพราะ เ, เ, เ, เห็นอนัตตาเราเลือกไม่ได้จิตเขาจะเลือกของเขาเองเราก็พาจิตดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปเขาจะมองมุมใดเขาจะเลือกของเขาเอง ในการที่เราหาดูรูปนามทางานไปเรื่อยๆนะช่วงแรกๆเนี่ยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตยังไม่พอเวลาเราดูกายเช่นเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดนะูร่างกายไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์หายใจเข้าก็เป็นทุกข์นี่ขนาดทำวิปัสสนาแล้วนะแต่พลังของจิตไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยจิตจะไหลจิตจะเคลื่อนไป ถ้าไปดูร่างกายจิตก็เคลื่อนไปที่กายไปดูจิตแล้วจิตเคลื่อนมาไปื่อทีเคลื่อนไปดูความรู้สึกนะความรู้สึกดับพอจิตเคลื่อนไปอยู่ในว่างตรงที่จิตเคลื่อนไปนี่แหละมิปัสนูพกิเลสจะเกิดขึ้นมิปัสนูพกิเลสเป็นเรื่องที่นักทำวิปัสสนาทุกคนต้องเจอเป็นเรื่องปกติคล้ายๆนิมิตนะนิมิตเนี่ยคนทำสมถะ มักจะเจอแต่วิปัสสนูนี่คนทำวิปัสสนาต้องเจอวิปัสสนูมีสิบอย่างอย่างที่หนึ่งชื่อโอภาษสว่างว่างนักดูจิตเกือบทั้งหมดเลยจะไปเจอวิปัสสนูที่เรียกว่าโอภาษอย่าเราเห็นกิเลสมันทำงานขึ้นมาใน ใ, นใจนะทำงานนมเราดูมันปุ๊บมันเคลื่อนหนี ใจเราเนี่ยถลํมตามมันไปออกไปข้างนอกแล้วแล้วเสร็จแล้วมันดับวับไปเราก็นึกว่าเราอยังดูอยู่ที่จิตนะที่จริงจิตออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกแล้วอยู่งั้นเป็นปีเลยอยู่ไปอยู่ไปคิดว่าตรงนี้ไม่มีกิเลสแล้วนี่แหละบัติรู้แล้วมรรคผลนิพพานบางพวกก็มีสติแกกล้านะสติเข้มแข็งมากเลยสติแข็งเกินไปเข้มเกินไปมองอากาศเห็นเป็นเม็ดเมดเลย บางพวกปัญญากล้าเวลาปกติก็เหมือนคนธรรมดานะเวลาได้ยินธรร ม, มะหรือพูดธรร ม, มะนะเหมือนคนบ้าพูดไม่หยุดเลยคนไม่ฟังเขพูดกับต้นไม้คนไปถามว่าไปพูดทําไมกับต้นไม้เผื่อรู้คเทวดาจะฟังเอาไปโน่นอีกนะคือมันบ้าบ้าน้ํำลายอยากพูดธรร ม, มะอันนี้ก็เป็นเยอะนะใครเคยเป็นบ้างมีไหมอยากพูดธรร ม, มะ หลวงพ่อมีญาติคนหนึ่งนะเ็เป็นตัวเนี้ยอยากพูดธรรมะปลูกภรรยาขึ้นมาตีสองตีสามนะมาฟังธรรมะจะเทศให้ฟังอะไรเงี้ยเนี่ยตัวใหญ่เนี้ยมีปัสสา น, นะนวบางคนศรัทธามากเลยได้ยินว่าครูบาอาจารย์จะมาที่จังหวัดนี้นะเกิดปลื้มอย่างแรงเลยนะเอาแบงค์ใส่ตะกร้านีเดินแจกไปทั่วเมืองเลยปลืม้ม มีแปลกๆนะวิปัสสนูนี่ดูคล้ายๆคนบ้าแต่ไม่ได้บ้าหรอกวิธีที่จะหายนะมี2อันอันนึงเลิกปฏิบัติเลิกทำวิปัสนาแล้วกลับไปเป็นจมโคลนจมเลนอย่างเดิมนะไม่เป็นวิปัสสนูอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มความตั้งมั่นของจิตขึ้นมากลับมาทำใหม่ให้เห็น ทำกรรมฐานอย่างหนึง่งจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ทำอั น, นิี้อยทิ้งนาะต้องซ้อมทุกวันถ้าทิ้งตรงนี้แล้วก็วิปัสสนูจะเอาไปกินนะพระนนท์นะท่านเรียกวิปัสสนูไปกิเลสว่าทำมุทัตจะธรรมะอุทัตจะความฟุ้งซ่านในธรรมสิประการท่านสอนการปฏิบัตินะอยู่ในสูตรชื่อยุคลานัตถสูตรพระนนท์ท่านสอนหบอกบางคนเนะี่ยใช้สมาธินําปัญญา เรื่องวิปัสสนานีแต่บางคนเนี่ยทำสมาธิก่อนแล้วมาเดินวิปัสสนาบางคนใช้เดินวิปัสสนาก่อนแล้วสมาธิในระดับฌานเนี่ยเกิดทีหลังสมาธินําปัญญาบางคนทําฌานแล้วเดินวิปัสสนาในฌานใช้สมาธิและปัญญาควบกันเนี่ยท่านพูดถึงสามอันนี้แล้วลงท้ายท่านตกท้ายด้วยธรรมะชื่อธรรมมุทัตจ ja ักสิบประการคือวิปัสสนุเพราะงั้นไม่ว่าจะทําวิปัสสนาด้วยวิธีใดนะ สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันยังไงก็เจอวิปัสสนูและท่านสอนทางแก้ไว้คือฝึกให้จิตตั้งมั่นถ้าสมาธิถูกต้องสมาธิพอวิปัสสนูหายทันทีอันนี้หลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อมาท่านเคยสอนว่าถ้ามีวิปัสสนูนะทําจิตให้ถึงฐานมันจริงๆนะก็หายละไม่ยากหรอกไม่น่ากลัวอะไร มันไม่ใช่ลกบ้านะลกบ้าทําจิตยังไงก็ไม่หายหรอกแต่บ้ามีสองประเภทนะบ้าเพราะว่าร่างกายผิดปกติอั น, นี้ภาวนาไม่หายแต่บ้าเพราะใจมันเครียดใจอะไรอย่างงี้ยนะภาวนาให้ถูกๆแล้วหายนะมีหลายแบบนะถ้าบ้าทางร่างกายเขาเรียกโรคประสาทอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาหมอถ้เาเป็นบ้าเพราะร่างกายนะผิดปกติเพราะร่างกาย ต้องให้หมอรักษาแต่ถ้าปิดปกติเพราะจิตใจไม่ปกตินะเอาธรรมะรักษาถ้าใจถึงฐานวิปัสสนูหายก็จะเห็นรูปนามเกิดดับไปเรื่อยนะเกิดดับไปเรื่อยเห็นไปแล้วใจมันเบือ่อบางคนจะรู้สึกเมืองวางตัวเราเริ่มหายไปแล้วร่างกายชักไม่ใช่เราขึ้นมานะยอมรับไม่ได้บางคนรู้สึกกลัว ตัวตนหายไปตัวตนหายไปชักกลัวนะจะกลัวจะเบื่อหรือจะรู้สึกเบื้องว้างอะไรนกะ็ให้รู้ทันความรู้สึกนั้นเข้าไปมันไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางใจสู่ความเป็นกลางแล้วตามรู้ตามดูออกไปใจมันจะเห็นในโลกไม่ได้น่าพิสมัยอย่างที่เคยนึกหรอกโลกก็คือรูปนามนี่มีแต่ไม่ของไม่ดีนะ แต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจอยากจะพ้นไปแต่ทำยังไงก็พ้นไม่ได้นะพะนะ้นนาแทบตายยังไงก็ไม่พ้นหน่อยหนีจากรูปนามนี้ไม่ได้หนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันนะก็ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบแล้วก็อยู่กับรูปนามนี้ไปอยู่ไปเรื่อยๆนะถไปใจค่อยๆ ย, ย, ยอมรับนะอยู่กับมันได้ ไม่เกลียดมนะันละเป็นกลางกับมันก็ดูต่อไปเรื่อยเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไปหมดเลยไม่เที่ยงเกิดดับเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเริ่มเห็นนะความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับใจเริ่มเข้าสู่ความเป็นกลางสุขกับทุกข์ก็เท่าเทียมกันอนะ่ะเกิดแล้วก็ดับเมื่อก่อนนิ่โง่วิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์หาทาไมความสุข มันเกิดแล้วมันดับนี้ทําไมความทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับใจเ้าหมดความดีร้ายต่อสุขต่อทุกข์นะเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะมีปัญญาจิตที่มีปัญญาเขาเห็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นเะท่าเทียมกันหมดเลยด้วยความเป็นใจลักณ์จิตเป็นกลางกลางด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้นะัเรียกว่าสังขารู้เปกขายานสังขาร ก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งก็คือรูปนามขันห้าเรานี่มีอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งหลายต่อขัน5้ายานว่าปัญญาก็าเห็นมันเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเราต้องค่อยพัฒนาจิตนะจนกระทั่งเข้าสู่วเมินกลางด้วยปัญญาจิตที่เป็นกลางด้วยปัญญานี่นแหละเป็นประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคถ้าใจเรายังไม่มีปัญญาพอนะจิตก็ยินดีบ้างยินหลายบ้าง พอจิตยินดียินไล่แล้วพยายามไปแก้ไขอะไรเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็นกลางด้วยปัญญาแต่เป็นกลางด้วยอย่างอื่นเช่นเป็นกลางด้วยสติเป็นกลางด้วยสมาธิเนะท่งเอาไว้อย่างเงี้ยก็เป็นกลางอย่างนั้นไม่ใช่ประตูของมรรคผลประตูมรรคผลต้องเป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อจิตพาวนามาสู่ความเป็นกลางนะบางคนก็อยู่ช่วงหนึ่งแล้วเสื่อมเสื่อมเราก็ไปตั้งต้นพาวนาใหม่ก็จเจริญขึ้นมา บางคนพอนามาถึงจุดที่จิตเป็นกลางแล้วเนี่ยกำลังจะตัดเกิดมรรคเกิดผลแนละจิตเกิดอะไรอาวร์เกิดความกระรณาในสรรพสัตวนะ์จิตจะพลิกถอยออกมาไม่ยอมตัดพวกนี้เดินสายพุทธภูมนะิแต่ว่าพวกที่เดินพุทธภูมินะจนพอนาจนถึงจุดที่เป็นสังขารเป็นกลางต่อสังขารแล้วเนี่ยแล้วบารมีแก่กล้าจริงๆนะเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะได้รับพยากรนะ ถ้ายัางไม่ถึงความเป็นกลางเนี่ยท่านแม่พยากรณ์ให้แล mm ้ว hmm. แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นกลางแล้วจะได้รับพยากรณ์นะต้อง mm hmm. ดูตัวอื่นประกอบนี่คนที่บารมีเต็มนะ mm hmm. วควรจะต ร, รัสสรู้ควรจะบรรลุมรรคผละจิตจะรวมเข้า อ, อัป น, นาสนาธิเวลาเกิดอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะที่จิตอยู่ข้างนอกอย่างนี้อริยมรรคจะเกิดในฌานนะ แต่เป็นลักขณูปนิชานนะไม่ใช่ในอารามันูปนิชานเพราะนัล้ลักขณูปนิชานที่หลวงพ่อสอนนักหนานะจิตถึงฐานจริงๆนะจําเป็นมากเลยถ้าจิตไม่ถึงฐานอริยมรรคไม่เกิดพอจิตรวมเข้ามานะถึงฐานแล้วเนี่ยมันเห็นความปรุงแต่งภายในสองสาขณะนะแต่ละคนไม่เท่ากันพวกปัญญากล้าเห็น2ขณะนะพวกปัญญาไม่กล้าก็าต้องดูมากหน่อยสขณะเสล้ จ, จิตวาง การปลุงแต่งนะทวนกระแสทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ไม่ใช่เข้าหาจิตผู้รู้นะเป็นอีกสภาวะหนึ่งเลยไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วต่อไปนเนี้ยจิตผู้รู้ยังอยู่ในโลกทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ตัวเนี้ช่วงที่มันปล่อยรูปนามปล่อยจิตปล่อยอะไรนะตรงนั้นไม่ใช่ปุถุชนแนละ้ แต่มันยังเข้ามาไม่ถึงาธาตุรู้แท้ๆที่เป็นตัวธรรมธาตุไม่ใช่พลราริยาบุคคลครับลูกคับดอกช่วงก้าวกระโดดตรงนี้สั้นนิดเดียวนะแวบเดียวเท่านะั้นก้าวกระโดดจิตมันถอนวืบเข้ามาที่ทาธาตุรู้เนี่ยเมื่อเข้ามาถึงาธาตุรู้แล้วอาสวะกิเลสนะที่ห่อหุ้มาธาตุรู้อยู่นี้จะถูกอริยมรรคทาลายสังโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในจิตวนะางส่วนจะถูกทําลายไปนะถ้าทําลายทั้งหมด4ครั้งจึงจะหมด ถูกทำลายไปแล้วนะในขณะที่ทำลายนะั่นเป็นอริยมรรคถัดจากนั้นจิตจะเข้าสู่อริยผลสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิสองสามขณะไม่นานในพระโสดาเนี่ยยังไม่ชํานาญในพระนิพพานเห็นนิดเดียวพระสกทาคาพระนาคายังไม่ชํานาญมันเห็นแวบๆเท่านั้นเองนะเวลาที่จะเข้าพระสมบัตินะั่นต้องไปทำมิปัสสนาก่อนเราตีมาเข้าพระสมบัติ วางรูปนามแล้วถึงจะสัมผัสปณิพันธ์พวกเราลองทำสมาธิสิแล้วสังเกตดูถ้าไม่จับรูปก็จับนามจริงไหมลองดูสิไม่ก็คิดเอาเลยนคนก็คิดพุดโทโธพุโทโธจับพุโทโธ ถ้าไม่จับอารมณ์บัญญัติพุโทโธหรือสัมมาหรหังอะไรก็ไม่จับรูปธ ร, รรมเช่นลมหายใจก็จับนามธรรมนี่ความรู้สึกสัง เ, เกตแม้่าจิตมันจะต้องจับอะไรไม่อันหนึ่งมันปล่อยไม่ได้หรอกมันกลัวตกมต้องโหนเหมือนลิงต้องเกาะกิ่งไม้ไว้สักกิ่งหนึ่งไม่จับกิ่งที่หนึ่งก็กิ่งที่สองไม่ ก, กิ่งที่สองก็ต้องกิ่งที่สามแล้วนะดูออกไหม คาให้ดูเลยนะยังไงก็เกาะเนี่ยถ้าได้โสดาสกัตถะคาอนาคานะมันม ก, ก็ยังเกาะอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพระอธิยบุคคลนะั้นท่านก็ดูมันเป็นไตรลักษนะเสร็จแล้วมันวางย่าถึงพนานิพนธะ์แต่ถ้าถึงที่สุดแห่งทุกข์นะั้จะไม่เกาะ อ, อย่างนี้ลนะยังไม่ให้มันจะไม่เกาะเองอะไม่เกาะรูปธรรมไม่เกาะนามธรรมมันไม่เกาะก อ, อยู่แล้วอะนะนะ งนมานาสิการถึงพระนิพพานก็ถึงเลยมานาสิการคือใส่ใจและลึกถึงได้นะก็เห็นเลยนะค่อยๆฝึกนะอย่างเมื่อวานหลวงพ่อสอนนะสมาธิที่ไม่มีสติสมาธิที่เจือกิเลสยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่ใครออกจากสมาธิแล้วซึมมั่งเป็นมิจฉาสมาธินะฝึกอีกยัยงไม่พอ <laughs> ต้องฝึกของดีต้องอดทนนะ ถึงบอกเราต้อง ท, นทน้อทนอริยผลเวลาเกิดนะเกิดสองสามขณะท่านเองในสภาวะนั้นว่างไม่มีอะไรแต่มีมีอะไรมีไม่มีอะไ ร, ะไ ร, ไะไรนะว่างสว่างบริสุทธินะ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะในสภาวะนั้น แล้วจิตนั้นมันจะแสดงความมีอยู่ของมันอันนี้หลวงปู่ดุลัทธ์เล่าให้ฟังนะจิตมันจะแสดงความมีอยู่ของมันมันไม่มีร่องรอยให้เราดูเลยแต่มันแสดงความมีอยู่ของมันด้วยการยิ้มเมือ่อไม่กี่วันเนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดไม่ได้นะท่านเขียนท่านพูดคำว่าจิตยิ้มออกมา น, นะท่านเขียนคำว่าจิตยิ้มออกมาไม่ธรรมดาหรอกจิตของเรายิ้มไหมของเรากีเลตยิ้มต่างหาก จิตเรายังไม่ได้ยิ้มหรอกเคถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตต้องยิ้มกี่ทีนะถึงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์หลวงปู่นับเหนึ่งสองสามสามสทีหนึ่งสองสาม๋อสี่ทีนาะสี่ทีถัดจากนั้นนะเกิดอริยผ ล, ลนะมันสว่างนะไม่มีขอบมีเขต มีความสุขมันมหาศาลนะถอยออกมาแล้วลกลับมาสู่โลกข้างนี้จิตจะทวนเข้าไปตรวจสอบกิเลสอะไรยังเหลือกิเลสไรตายแล้วนทวนของมันตรวจสอบสิ่งที่เราให้ฟังนี้เป็นผลของการปฏิบัตินะเป็นผลจากอะไรจากไตรสิกขานะวันแรกสอนเรื่องไตรสิกขาจำได้ไหมสีละสิกขา จิตสิขาเมื่อวานนี้สอนปัญญาศิกขาปัญญาศิกขาก็ทำวิปัสสนานี่แหละและมรรคผลมันเกิดเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรร ล, ลุมรรคผลมันเป็นเองเม mm ื hmm. ่อตรศิกขาเราสมบูรณ์แล mm ้ว hmm. งินตั้งอกตั้งใจภาวนานปฏิบัติไปรักษาศีลห้าให้ดีที่สุด mm hmm. อย่างไปดูข่าวการเมืองก็ไม่ด่านะ mm hmm. ต้องรักษาศีลไว้ ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าล่องลอยแต่อยู่กับตัวก็อยู่อย่างสบายไม่ได้อยู่อย่างเคร่งเครียดอยู่อย่างสบายสบายแล้วก็จเจริญปัญญาแยกรูปนามเห็นรูปนามแสดงไลรลัก์ไปจิตใจะจะพัฒนาไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาถ้ากาลังพอมากผลก็เกิดไม่พอก็ทําอีกจีชาติก็ต้องทําเพราะานี่คือทางแห่งความพ้นทุกเรื่องอะไรจะต้องพ้นทุกนิรันดรเรื่องใจต้องถูกอยู่นิรันดร ต้องพนให้ได้นะอ้าวส่วงกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนน้รัตการเจ้าค่ะหลวงพออ่อรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติค่ะตื่นตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นนะเป็นธรรมชาติตื่ น, ตนเนต้นเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ก็จิตมันจะตื่นเต้นนี่แหละธรรมชาติ ล, <c oughs> ล่ะเราก็เห็นหน้าจิตมันตื่นเต้นได้เองดูกไหม ถ้าเห็นว่ามันตื่นเต้นได้เองไม่ต้องไปบังคับมันรู้อย่างที่มันเป็นไปได้วยเราก็มีสภาวะคือตอนสวดมนต์ะคะ่ะมันจะชอบมีโทสะแล้วมันก็ไม่อยากสวดอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันบังคับไม่ได้ละ่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราะะอะแล้วรู้สึกว่าไอ้ที่ทำอยู่มันไม่ใช่ตัวเราแต่ มันยังมีตัวเราอยู่ที่ไหนสักที่เจ อ, อนะไม่ต้องหานะหาจะไม่เจอค่ะหนูพยายามหาหนูคิดว่ามันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องหาะ<ภ>ดูรูปนำสแสดงใจรักไปเรืยเดี๋ยววันหนึ่งมันตาย<ภ>ตอนนี้มันแฝงอยู่หามันไม่เจอหรอกมันมีแต่พอไปดูมันจะหายไปนะจับร่องรอยมันไม่ได้ไม่ต้องหา<ภ>อะอไปทํเอาขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะ รู้สึกว่ากิเลสมันแรงแล้วมันก็มั น, ม, นมันไปแทรกแซงอันแรกก็คือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ยิ่งยิ่งฟุ้งซ่านมากเลยฟุ้งซ่านไม่ใช่แปลว่าไม่ดีแล้วมันก็เลยเข้าไปจับอยู่ไอ้ตรงนั้นมันก็ไปแทรกแซงแล้วมันก็ไปคิดนํำรู้้รไหมรู้ไหมว่าจับรู้ไหมว่าแทรกแซงรู้ไหมว่าคิดนํารู้ค่ะดีแต่ว่าคือก็จะมากราบเรียนถามว่าตอนนี้เนี่ยคือให้ดูไปตรงๆหรือว่าใช้คําบริกรรมที่พอ ไปเอาคําบริกรรมเมตตาสุดตังของหลวงพ่อมาม า, มาบริกรรมแล้วเหมือนอจิตมันปล่อย <laughs> ไม่ใช่เมตตาสุดตังเลยเมตตาะอะไรแล้วนะคะคุณนางเมตตาคุณนงางไม่ใช่หลวงพ่อของสมเด็จโต <laughs> <laughs> ก็ตอนนั้นเนี่ยมันไปเอามาใช้แทนพุทโธแล้วเหมือนจิตมันปล่อยขึ้นมานิดนึงอะค่ะก็เลยเหมือนก็เลยครั้งหลังเนี่ยมันก็เลยไปเอามาแทรกแซงเสร็จแล้วมันก็ไปคิดนํามันก็เลยพัวพันกลายเป็นฟุ้งซ่านมากให้รู้กับฟุ้งรู้ไปตรง รู้ไปตรงๆแล้วไม่ต้องเอาอันนี้เข้ามาไม่ต้องแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นงเชื่องอยู่ก็ได้นะบริกรรมเล่นๆไปบริกรรมแล้วก็รู้ทันใจไปคือมันมีบางทีที่บริกรรมมันเป็นพุทโธแล้วบางทีมันไปเอาอันนี้มาช่วยเนี่ยก็ปล่อยมันใช่ไหมคะได้อย่าเอาเยอะเกินเดี๋ยวเวียนหัวแต่ว่าบางทีพุทโธเนี่ยค่ะมันมันถูกกิเลสมันครอบงาเข้าไปได้มันเบาไปนี่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวใช่ไหมอ๋อเราก็หาที่มันมากขึ้นถ้าพุทโธไม่พอนะ ก็หาของที่หยาบขึ้นก็พยายามสร้างความรู้สึกอันนั้นถ้าเกิดมันมาก็ก็ดูไปเรื่อยๆดูไ ป, <ๆ> ด, ไปดูตรงๆก็นามัสการหลวงพ่อค่ะก็เผอบ้างรู้บ้างค่ะแล้วก็ซึมบ้างตื่นบ้างหงุดหงิดบ้างไหมหงุดหงิดบ้างเานะนี่ความรู้สึกอะไรรู้ไปเรื่อยๆนะรู้อย่างที่เขาเป็นเห็นไหมความรู้สึกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ อย่างอากาศร้อนเราก็ลาคาญนะแมงวันแมงวีเยอะเราก็ลาคาญอะไรเงี้ยมันหมุนความรู้สึกเนี่ยมันผ่านเข้ามาเราก็เห็นเลยความรู้สึกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความรู้สึกต่างๆก็มาเองมันเกิดกเอง <ไป S 2> เราสั่ ง, งมันไม่ได้เออ <Yeah. S 2> ไปดูนะทุกอย่างมาเองไปเองดูอย่างงี้เรื่อย <Yeah. S 2> ๆใช้ได้อยู่ <Yeah. S 2> มาอยู่วัดไม่เสียหลายเราไม่ขาดทุนหรอก <Yeah. S 2> ดีขอบคุณค่ะครับนรบสการครับ ช่วงนี้โทสะกับโมหะมันจะดูเยอะผิดปกติครับเราจเจริญเมตตาไว้นะสวดมนต์ไปน ะ, จะเจริญเมตตาไปใช้บทเมตตาดีเย็นเขาการข้าหลวงพ่อคืออยากจะปรึกษาหลวงพ่อว่าตอนนี้ใช้วิธีวฏิบัติดยการดูจิตนะคะแต่บางครั้งรู้สึกว่าตัวเองหลงไปนานนะคะ เป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำสมาธิหรือเปล่าคะหลวงพ่อเลยทำให้ไม่ค่อยมีแรงอยู่ๆเราไปดูจิตน่ะไม่ไหวนะเราต้องมีเครื่องอยู่ของจิตก่อนรม่อย่างจิตหนีไปหนีนานนี่เราจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับอิริยาบทอะไรก็ได้นะให้มันมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปจากพุทโธเราก็รู้ง่ายแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เวลาหนีจะหนียาวรู้กับลมหายใจก็ได้รู้อิริยาบทก็ได้ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกพเผลอแวบเนี่ยพอเผลอไปนะแล้วร่างกายเราขยับขึ้นมามันมจะรู้สึกขึ้นมาใหม่ไม่เผลอนานเพราะร่างกายเราขยับตลอดเวลาละค่ะควรจะทำสมาธิให้มากขึ้นหรือเปล่าคะอย่าให้มีโมหะก็แล้วกันหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วมันจะหายทาสมาธิไม่ได้ช่วยอะไรค่ะนะ หลวงพ่อคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเราทุกน้อยลงอะคะ่ะเราจะทราบได้ไงว่าเราเราเข้าใจมันเราเลยทุกน้อยลงหรือว่าเรากดเอาไว้มันถึงทุกน้อยลงะะถ้ากดแล้วใจจะแน่นๆสังเกตตรงนี้นะ <c oughs> ถ้ากดแล้วใจมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาจะแน่นๆถ้าอย่างนั้นเราก็กดแน่นนอนถ้า <c oughs> เกิดจากความเข้าใจใจจะโปร่งโล่งเบา <c oughs> สังเกตเอาขอบคุณค่ะ กราบนมคับ ก, การครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบห้าเดือนครับอืโยมก็ดูกายเป็นหลักครับแล้วก็ดูใจที่เปลี่ยนไปเป็นขณะขณะทำตามรูปแบบธมเสมอครับเวลาดูกายเห็นกายกับใจแยกกันไหมเห็นครับเออต้องอย่างนั้นนะแล้วเวลาที่เห็นกายกับใจแยกกันใจทื่อๆหรือป่ะก็เป็นธรรมชาติครับเออถ้าเป็นธรรมชาติใช้ได้นะถ้าแข็งทื่อใช้ไม่ได้ครับไปดูเอาขอบคุณแม่ครับ นมัสการค่ะหลวงพ่อลูกภาวนามาลูกไม่ค่อยมีวิบากค่ะหลวงพ่อลูกติดสุขหรือว่าลูกเป็นอุเบกขาค่ ะ, คะอุเบกขาแบบไหนลนะ่ะภาษามันบางทีไม่ตรงกันเป็นกลางอะคะ่ะกลางแบบไหนกลางกลางตลอดเวลาหรือว่ากลางเพราะมีปัญญาบางครั้งเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นไตรักอะคะ่ะจิตมันกระเพื่อมขึ้นมาค่ะพอจิตกระเพื่อมขึ้นมาพ อ, อ ก็ไปรู้ว่าไปเห็นเขาว่าเขาก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาลงไปอะคะ่ะที่ก็เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าจิตเรามันลักตัวเองอะคะ่ะตรงนี้มันเ ม, มันเลยเป็นกลางด้วยสมถ <Okay. S 2> นะนะตรงที่เราคิดพิจารณาเนี่ยกลายเป็นสมถะไปแล้ว mm hmm. แต่ตรงที่เป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันเห็นในจิตมันก็เพิ่มได้เองเพราะฉั้นต่อไปมันก็เพิ่มนะจิตก็ไม่หวั่นไหวมันรู้สึกเป็นธรรมดา แต่ถ้ามันกระเพิ่มแล้วเราแก้ด้วยการคิดพิจารณาอะไรเนี้ยนี่เป็นเรื่องสมถะทั้งหมดเลยนั่นติดสมถ <Okay. S 2> ะค่อยๆสังเกต น, นะหลวงพ่อสอนหลักให้ <Okay. S 2> แล้วค่อยไปดูของเราค่อยๆปรับไปแต่อย่าให้ติดนิ่งติดซึมนะ okay. สาธุกรรมการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อหนูไม่ได้ส่งมานานมากแล้วเข้าใจว่าน่าจะถอยหลังไปเยอะเลยค่ะเหรอ ตอนนี้จิตถูกบีบคันมากเลยค่ะใครไปบีบมันล่ะน่าจะเป็นกิเลสค่ะเวลาเรามีความอยากเกิดขึ้นที่ไร น, นะจิตถูกบีบทุกทีเลยเคยเห็นไหม<อ>ถูกขยี้นะถูกบดขยี้ค่ะแต่บางทีถ้ามันไม่ได้หรอกอพอบีบคันมากๆหนูก็ไปสวดมนต์มแม้ขณะเวลาสวดมนต์ก็ยังรู้สึกว่ามันบีบคันอยู่แต่ก็น้อยลงน่เพราะว่าเรากําลังปรุงดีอยู่ <laughs> ขเนนเวลาจิตมีการบีบคั้นให้รู้อย่างที่มันเป็นนะเราห้ามมันไม่ได้หรอกแล้วโทสะมันเกิดให้เรารู้ทันนะใจเราไม่เป็นกลางต่อความบีบคั้นนั้นใจเราไม่ชอบให้รู้ตรงที่ไม่ชอบนั่นแหละเพราะความไม่ชอบดับเราก็เห็นมันบีบคั้นไปเรื่อยๆจนจะบีบไปเรื่อยๆแต่ห้ามไม่ได้หรอกโอ้ทุกข์นะอย่างเนี้ยพาวนานอย่างนี้เห็นทุกข์เยอะเลย ทุกมากเกินไปไหมคะไม่ทุกพอดีไม่เห็นทุกไม่เห็นทำนะ <c oughs> <c oughs> อดทนหนูต้องทำอะไรเพิ่มไหมคะให้หนูรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลาง <c oughs> โทสะมันแทรกอะไรเงี้ย <c oughs> ต้องทำสมาธิเพิ่มไหมคะสมาธิต้องทำทุกวันอยู่แล้วค่ะค <c oughs> วรทำทุกวันแต่ไม่ได้ทำมากนักนะค่ะ <c oughs> ทำสมาธิทำสบายๆจะพุทโธจะหายใจก็ทำสบายจิตจะสงบไม่สงบก็ช่าง เราหายใจไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็สงบของมันเองถ้าอยากสงบไม่สงบหรอกซ้อมทุกวันทุกวันจะได้มีความสุขมีเรื่องมีแรงแล้วหนูยังอยู่ในร่องในรอยไหมคะหนูรักษาศีลห้าได้ไหมล่ะไม่ได้บ้างบางวันถ้า ง, งั้นก็อยู่ในร่องรอยบ้างไม่อยู่บ้างราคาถ้ายังมีศีลอยู่ก็ใช้ได้แล้วอย่างน้อยเราก็ได้บทเรียนอนหนึ่งเรื่องศีลละศิขารักษาไว้นะค่ะ มาสักการครับหลวงพ่อครับก่อนหน้านี้มันดิ้นครับมันก็พอดิ้นสักพักมันก็หมดแรงอพอหมดแรงมันก็รู้สึกหมดหวังครับแต่มันก็แต่มันก็รู้ว่ามันทําอะไรไม่ได้ครับทําอะไรไม่ได้ก็เลยถอยออกมาดูกายแทนเพราะมันมันเริ่มจะฟุ้งครับก็เลยถอยมาดูกายครับได้อย่างแต่พอ มาดูกายบางครั้งมันรู้สึกมันนิ่งๆเฉยๆครับเฉยๆครับไม่รู้ว่าถูกไม่เบาครับดูกายพยายามดูนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนดูอยู่อีส่วนหนึ่งนะครับอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ครับดูไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันเฉยๆให้รู้ว่าเฉยอันนี้กลับมาดูจิตได้แล้วว่าเรารู้ทันแล้วเฉยนี่ร่างกายไม่ได้เฉยจิตเป็นคนเฉยแล้วเราเห็นแล้วครนะกลับมาดูจิตได้ก็ดูจิตครับดูจิตไม่ได้ดูกายต้องทําอะไรเพิ่มไหมครับหลวงพ่อ ทำความสงบบ้างสวดมนต์ไปอะไรไปก็ยังดีครับไปดูว่าจะทําสมถะอะไรครับแต่ทําสมถะอย่าให้มุหาแทรกครับอย่าให้ซึมนะครับขอบคุณครับการนมัสการหลวงพ่อวันนี้ลูกตั้งใจให้หลวงพ่อทุบเลยอ่ะฮะหลวงพ่อแก่แล้วเมื่อยมือทุบมากเห็นไหมกายกับใจโคระอันเห็นค่ะเอเห็นไหมไม่มีอะไรที่บังคับได้เลย ไ ม, ไม่มีอะไรที่เป็นอย่างที่ใจอยากใช่ค่ะเห็นไหมใจมีโทมนัสไม่สบายใจค <หา S 2> นะ่ะเห็นไหมอยากจะสบายใจยังไม่เห็นตัวนี้ใช่ไหมยังค่ะนั่นแหละไปดูตัวนี้แหละนะใจเร า, าใจเราไม่ชอบ <ขา S 2> นะใจเราไม่ชอบสภาวะอย่างนี้ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะ <ขา S 2> ไม่ชอบปรากฏการณ์อันนี้ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเนี่ยค <ขา S 2> ่ะ เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราก็บังคับอะไรไม่ได้เลยนะ ใ, ใจเรายังไม่ยอมรับตัวนี้เรายังอยากเข้าไปบังคับให้ได้อยากเข้าไปจัดการ<น>มันเลยทุกข์สิ <c oughs> พยายามคุมของที่คุมไม่ได้นะเราก็เรียนรู้ไปจนใจฉลาดโอ้ยิ่งอยากคุมยิ่งทุกข์เนาะเขาจะฉลาดของเขาเองแหละขอบคุณคะท่านทนทนนะทนดูไปลูกจะ วิบากอะไรก็ต้องรับใช่ไหมคะวิบากหนีไม่ได้น ะ, ะมีวิบากต้องรับยิ่งภาวนาดีๆนะชาติจะยิ่งพบชาติเหลือน้อยแล้วชาติสุดท้ายแล้วอุ้ยวิบากรีบมาเลยโหมาแบบหลวงพอ่นะงพอแ <laughs> บบแล้วอนุโมทนาสาธุแสดงว่าภาวนาดียิ่งหนีก็ยิ่งเจอคะหลวงหนีไม่ได้ใครจะหนีกรรมหนีไม่ได้หรอก ตอนนี้ยลูกสู้แล้วไงคะก็เลยเนี่ยดูเข้าไปตรงๆเลยเห็นใจที่ไม่ชอบอยู่ตรงนี้นะใจที่ไม่ชอบอย่างนี้แนะหละอดูไปทุกอย่างในชีวิตนี่ชั่วคราวทั้งหมดเลยหัดดูไปด้วยถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นชั่วคราวนะอะไรก็รับได้นี่เราไปเห็นว่ามันจริงจังเหลือเกินครับนรรมส ก, การหลวงพ่อค่ะว่าไงก็คือช่วงหลังนี้มัน รู้สึกว่ามันหลับคือมันรู้สึกว่ามันจะหลบตลอดอะค่ะหลวงพ่อคือจะทําอะไรจะบางครั้งเดินจงกรมเนี่ยเหมือนมันหลับเข้าไปเลยอะค่ะมันเหนื่อยทางกายหรือเปล่าทางกายมันก็เหนื่อยแต่คือเหมือนใจมันเหมือนเวลามันเจออะไรแล้วมันเหมือนมันจะหลบเข้าไปเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นมานานแล้วพอสมควรนะหเมือนกลัวทุกข์แล้วล่ะนะมันเกลียดทุกข์อะมันกลัวทุกข์อยากหลบพอไปข้างในทําใจให้แข็งแข็งไว้เข้มแข็งหน่อย หายใจคืดสู้คืดสู้เลยมันรู้สึกอ่อนแอเออนั่นแหละมันอ่อนแอนะใจแข็งแข็งไว้หน่อยพอใจอ่อนแอแล้วมันจะหลบมันมีหลบเนี่ยต้องถามเพราะว่ามันมีหลายแบบอันนึงมันเดินปัญญามากเลยแล้วมันเกิดนิพพิธานิพพิธาเนี่ยมันเบื่อสุขทุกข์เท่าๆกันนะอย่างเนี้ยใจไม่รู้จะไปไงใจจะหลบมันจะหลับตลอดวันตลอดคืนเลย ของหนูมันไม่ใช่นิพิทามันเป็นโทสะเออมันเป็นโทสะเะฉั้นต้องทําใจแข็งๆไว้สู้มันฮึดไว้สู้ไว้อย่างนี้หลวงพ่อครับแล้วคืออย่างหนึ่งคือช่วงหลังเนี้ยค่ะคือไม่รู้ว่ามันเป็นการฟงซ่านไปหรือเปล่าคือมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยคือมันไม่ได้มีสาระอะไรคือมันจะดีมัน่หนูเห็นแล้ว่ะหนูเห็นแล้วนะแต่หนูไม่เป็นกลาง คือมันมันไม่ใช่คิดไปเองใช่ไหมคะเออมันเห็นแล้วล่ะแต่ว่าใจมันยังไม่เป็นกลางยังเกลียดอยู่โทสะมันยังแทรกอยู่กลับนมัสการขอโอกาสหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกเพิ่งมาส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งแรกเจ้าค่ะนี่ก็อยากจะให้หลวงพ่อเมตตาให้คําแนะนํำนะเจ้าค่ะว่าขณะนี้สภาวะจิตสภาวะธรรมของลูกได้มาได้มาถึงตรงไหนแล้วแล้วก็ มีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างนะเจ้าค่ะรู้โลกปัจจุบันไปนะไม่ใช่ว่าต้องดีตลอดเวลาหรอกเห็นไหมว่าดีบ้างายบ้างเจ้าค่ะเวลาใจมันโมโหใจมันโกรธอะไรเงี้ยดูง่ายดูเข้าไปตรงๆรู้ว่ามันโกรธนะรู้ว่ามันอาฆาตรู้ว่าอะไรเงี้ยรู้ไปเลยมันเป็นยังไงรู้อย่างนั้นเลยแล้วก็จะเห็นเลยความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันเป็นเอง เจ้าค่ะนะดูซ้ำๆไปเรื่อยนะอดทนถือศีลห้าไว้เดี๋ยวไปตีกับใครเจ้าค่ะนะทีนี้ลูกก็พยายามที่จะแผ่เมตตาพยายามที่จะทำจิตให้มันเย็นลงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนแบบโกรธ ถ, ถึงขั้นไปทำร้ายอะไรใครนะแต่ข้างในมันมันเหมือนจะสู้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีเนี้ยมี วิหารธรรมหรือว่ามีวิธีการอย่างไรที่ทำให้แบบลูกจะสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากไหมเจ้าคะหลวงพ่อบริกรรมไปก็ได้น ะ, จะเจริญเมตตาบริกรรมไปเรื่อยๆเมตตาคุณังอารางเมตตาเนะี่ยทำไปเรื่อยๆใจสบายใจเย็นจนะ้ะค่ะอใจเราเย็นสบายแล้วเราก็ดูกายดูใจก็ททำงานไปนะคนขี้โมโหเนะี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งนะเวลาวางเนะี่ยวางเร็ว เพราะว่ามันตัดใจง่ายเจ้าค่ะเนไม่อ้อยสร้อยอ้อยหญิงคล่ำครวญเดินนานเนี่ยไม่มีอะะเจ้าค่ะเนะงินดีแล้วที่ขี้โม โ, อโห อ, อทุกวันนี้ก็คือเวลาที่ผัสสะเขากระทบปุ๊บก็ลูกจะพยายามเห็นแรงอัดที่มันอยู่ตรงนี้เลยอย่าพยายามเห็นนะเจ้าค่ะให้มันมีแรงอัดแล้วเราค่อยรู้เอาอย่าไปจงใจดูอย่าเครียดเจ้าค่ะนะให้มีความรู้สึกแล้วก็รู้จะไม่เครียดดูแล้วดูเหมือนคนอื่นไป เห็นเลยใจที่แหมมันห้าวหันลราเกินดูเหมือนดูคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นห้าวหานเราเป็นคนดูสบายสบายระวางใจแบบนี้วางใจให้เป็นคนดูสบายสบายเห็นกายนี้เห็นใจนี้มันทํางานไปมันห้าวหานก็ไม่เป็นไรเราเป็นแค่คนดูเจฝึกอย่างนี้แหละง่ายๆทีนี้ขณะที่ลูกระหว่างที่ปฏิบัติลูกจะมีทั้งทั้งรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกได้ อ่าหลังจากสมถะนะคะแล้วก็เข้าไปมันเห็นสภาวะหมุนอยู่ข้างในนะเจ้าค่ะอทีนี้เออมันพอมองเข้าไปแล้วก็พยายามไม่เพ่งแล้วก็เฉยๆไปเป็นนี้เป็นครั้งที่สองเห็นอีกมันหมุนมันมองมองมองเข้าไปแล้วก็เหมือนแกแล็กซี่นะเจ้าค่ะ๋ยจจะให้มันดูเท่าไปก็แล้วกันเจ้าค่ะดูห่างๆให้ดูห่างๆใช่ไหมเจ้าห้ามห้ามไปไปคลุกมันนะมันคืออะไรล่ะเจ้าค่ะมันคือวัฏตะที่หมุนอยู่ในใจเรานี่พาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้แหะทีนี้ ก่อนที่ลูกจะมาเมือ่อสักไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าค่ะลูกก็พยายามไม่ใช่พยายามเจ้าค่ะคือก็ลองให้เขาดูดไปสักครั้งหนึ่งอะเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็มันเหมือนเป็นภาพซูมอินเข้าไปเหมือนหนังทีจีน่ะเจ้าค่ะออแล้วก็เห็นเป็นเป็นงวงเป็นเส้นเลยเออนั่นแหละไม่ต้องตามมันไปไม่ต้องตามใช่ไหมเจ้าค่ะเนวมฟโรยอีกโลกหนึ่งเลยเออแล้ว ถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มีอีกก็ให้เราถอยมาดูเฉยๆเออให้มารู้ทันใจแล้วเจ้าค่ะเนะช่นใจอยากเข้าไปใจกลัวมันอะไรเงี้ยรู้ที่ใจแต่ข้างในเขาบอกว่า น, นี่คือปฏิจจสมุปบาทเลยนะคะใช่มันหมุนอยู่นั่นแนหะมีแต่ก่อนถูกเรื่องอะไรโดดไปใส่มันละ่นะวัตตก็คือตัวนั้นแหละนะหมุนอยู่นั่นแหละในปฏิจจสมุปบาทได้หมเจ้าะกิเลสกรรมวิบากหมุนอยู่นั้นเองเจ้าค่ะเห็นเป็นดวงเป็นหน้าเป็นเสียงเป็น เรไม่ต้องตามเนื่อถ้าตามไปแล้วจะเห็นเยอะแยะเลยก็คือดูไปดูไปทวนเข้าไปนั่งอดีตเท่าไปนู่นชาติโนู้นชาตินี้อะไรยุบวุ่นวายดีไม่ดีเพี้ยนไปเลยออกมาไม่ได้ก็คือถ้าเกิดว่าสภาวะนี้เกิดอีกก็ให้ลูกวางใจยังไงเจ้าค่ะวางใจเป็นกลางดูห่างๆอย่าเข้าไปคลุกเกลวมันแต่ไม่ต้องพยายามตัดไม่ต้องตัดไม่ขาดนะมักเรียนตัดมันขาดตัวไอ้ตัวนี้ไม่ตัดไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ ไปดูสบายๆนะเจ้าค่ะอย่าไปเอาจริงเอาจังนะนี่เจออะไรจะซัดกับมันลูกเดียวเลยเฮ <c oughs> <c oughs> ้อ <c oughs> หมดเวลาแล้วนะ <c oughs> สาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเชิญกลับบ้าน